เราจะ้มดอ่านในนี้ซะหน่อยเนี่ยเพราะว่ามดส่งกันบ้านเนี่ยจะกลับจะกลับและอ่านทันไหมเนี่ยเพราะว่ามดมันมาส่งการบ้านแล้วมันมันคือมาถึงมาส่งแต่ตรงปลายเฉยว่า แต่มันไม่ ม, ไ ม, ไมีไม่มีรายละเอียดมาให้เวลาเอไปขึ้ น, ข, นขึ้นในยูทูบขึ้นรายละเอียดมันไม่มีรายละเอียดมันไม่มีเสียงมดมาว่าส่งกันบ้านอะไรมีแต่กระดาษนะครับนี้เขาไม่ได้อ่านกระดาษมันต้องอมีเสียงอ่านอ่านหน่อยได้ไหมเพิ่งเดียวกาสได้ไหเขอโอกาศกราบส่งกันบ้านหลวงตาค่ะที่หลวงตาได้ให้ให้โจทย์มาเรื่องหลงกับรู้มีสติรู้สึกตัวแล้วก็พบผู้รู้ค่ะผู้รู้เ อ, อทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการสัมผัส กระทบผ่านทางอายะตนาทั้งหมดนะคะที่เป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทั้งหมดเรียกว่าสิ่งที่ถูกรู้เมื่อมีอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นมาให้ย้อนทวนกลับมาที่ตั้งต้นที่ตัวผู้รู้คือให้มาอยู่ที่ผู้รู้อารมณ์แทนที่จะไปรู้ที่อารมณ์ การย้อนทวนกับเข้าหาผู้รู้เนี่ยจะทําให้ไม่ติดไปกับอารมณ์หรือสิ่งที่ถูกรู้ค่ะคือไม่ติดไปกับขบวนรถไฟไม่เอาตัวเราไปเป็นผู้คิดผู้นึกหรือเป็นอารมณ์นั้นๆแต่ว่าเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูผู้สังเกตการณ์เฉยๆถ้ารู้ตัวไม่ได้ในทันทีก็ให้ฉุกคิดขึ้นมาว่าเมื่อไหร่ที่ความคิดนั้นมันต่อเนื่องเป็นเรื่องยาวเนี่ยหรือว่าแช่ค้างอยู่กับอะไรนานๆก็ให้รู้เลยว่ากําลังหลงติดขบวนรถไฟ สายปรุงแต่งไปเรียบร้อยแล้วใหม่ๆก็จะติดขบวนแบบตีตัวนอนยาวไปจนสุดสายค่ะแต่ว่าเมื่อกลับเข้าหาผู้รู้บ่อยๆก็จะทําให้ติดขบวนรถไฟไปไม่กี่สถานีก็จะรู้ตัวได้เร็วขึ้นเรื่อยๆเมื่อรู้ตัวก็จะลงจากรถไฟได้เร็วก็คือหลุดจากความคิดที่ปรุงแต่งได้เร็วขึ้นแล้วก็สิ่งสําคัญคือต้องไม่ทิ้งผู้รู้ไม่ทิ้งตายก็คือไม่ทิ้งสติ ทิ้งสติก็เท่ากับหลงหลงก็คือไม่รู้ไม่รู้ตัวไม่รู้ใจเอาตัวเอาใจไปติดข้องกับกิเลสตัณหาโลภโกรธหลงถ้าไม่มีสติรู้สึกตัวขึ้นมาก็จะยึดเอาอารมณ์ต่างๆไปกอดทุกข์กอสุขวนไปไม่มีที่สิ้นสุดจึงต้องฝึกให้มีสติรู้สึกตัวค่ะให้รู้ตรงตัวให้รู้ตรงตัวของผู้รู้ไม่ทิ้งผู้รู้ ถ้าอยู่กับผู้รู้ก็จะอยู่กับกายไปด้วยในคราวดเดียวกันเพราะผู้รู้อยู่ในกายเมื่อรู้ผู้รู้ก็จะรู้กายไปด้วยมันก็จะรู้พ่วงควบกันไปเป็นอัตโนมัติแล้วก็การอยู่กับคำบริกรรมเช่นพุโทโธเนี่ยก็เพื่อฝึกให้จิตอยู่ในจิตตั้งมันอยู่กับที่ให้รู้อยู่กับผู้รู้ไม่ขึ้นรถไฟไปไม่ไหลไปตามยะถากรรมเมื่อจิตมีงานทาอยู่ก็คือพุโทโธอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ไปคิดนึกปรุงแต่งเรื่องอื่น คำว่าอย่าทิ้งผู้รู้เนี่ยหมายถึงผู้รู้ตัวที่คิดได้พูดได้ที่บอกว่าไม่เห็นผู้รู้เนี่ยก็เพราะว่าจิตไม่สงบหลงอยู่ดูไม่ออกหรือว่ามองไม่เห็นไม่ได้สังเกตหรือว่าอ่านใจตัวเองไม่ขาดเพราะจริงๆแล้วทุกคนมีผู้รู้ตัวนี้อยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นปกติธรรมชาติของขันห้าก็คือเป็นวิญญาณขันที่ทาหน้าที่รับรู้ธรรมรม แล้วก็ส่งต่อเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารเมื่อจบแล้วก็จะเริ่มต้นวนใหม่ไปเรื่อยๆ <c oughs> คือก็ให้ลองสังเกตดูว่าเวลาที่เราเห็นอะไรได้ยินอะไรได้กลิ่นอะไรรู้รสอะไรสัมผัสอะไรรู้สึกอะไร <c oughs> มันจะมีตัวที่คอยคิดคอยพูดคอยพากอยู่ในใจตลอดเวลาโดยไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> มันจะวิเคราะห์บ่นเปลยพึมพำซึ่งอันนี้ไม่จาเป็นต้องเป็นความคิดนะคะแต่ว่า แค่อะไรสักอย่างหนึ่งที่กระเพื่อมแล้วก็เคลื่อนไหวและรู้สึกถึงมันได้อันนี้คือตัวผู้รู้ผู้รู้ตัวนี้สำคัญยังไงคือทำไมถึงต้องมารู้ตัวผู้นี้ก็มารู้ตัวผู้รู้ตัวนี้ก็เพราะว่าถ้าเห็นผู้รู้ตัวนี้ได้ก็พ้นทุกได้เพราะว่าต้องอาศัยตัวผู้รู้ตัวนี้จึงจะเห็นธรรมชาติของฝ่ายปรุงแต่งที่มันอยู่ภายใต้ของกฎตรักก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันไม่ได้มีอยู่จริง แล้วก็เมื่อเห็นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่แทรกแซงไม่หลงติดขบวนรถไฟไปเป็นผู้ปรุงแต่งเองเนี่ยมันก็จะมีขนาดจิตที่พลิกให้เห็นธรรมชาติอีกด้านหนึ่งที่เป็นฝ่ายไม่ปรุงแต่งมันจะพลิกแค่เศษเสี้ยววินาทีแล้วก็จะพลิกกลับไปเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งต่อเนื่องทันที แต่ว่าเมื่อพลิกบ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้แยกแยะแล้วก็เห็นความแตกต่างของธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกับธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งได้ชัดขึ้นเรื่อยๆผู้รู้ตัวที่พูดได้คิดได้ตัวเนี้ยมันคือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งหรือสังขารมันจะต้องรู้ผ่านทวารทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผู้รู้ที่มีน้ําหนักเอ่อคือหมายถึงว่าเวลาที่เรารู้สึก รู้ขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้ว่ามีเราไปเป็นผู้รู้จะตรวจสอบได้โดยการที่ให้ถามตัวเองบ่อยๆค่ะเช่นเมื่อมีความกังวลให้ถามตัวเองว่าใครเป็นคนกังวลหรือว่าใครเป็นคนไปรู้ว่ากังวลมันก็จะมีคำตอบมาเลยว่ามีเราเป็นผู้รู้เป็นคนไปรู้พอรู้ปุ๊บมันก็จะไปรวมกับเจตสิกทันทีมันจะเร็วมากแบบไม่เห็นไม่ไม่เห็นโอยต่อมันก็เลยดูเหมือนเป็นดูที่มันเหมือนมีอะไรมารองรับ มีต่อมมีที่ตั้งมีฐานมีผู้มาดูอะค่ะหรือว่ามีอะไรสักอย่างที่มารูอารมณ์นั้นการปฏิบัติก็ให้รู้ที่ตัวผู้รู้นี้ไปเรื่อยๆโดยไม่ไม่ไปจับจ้องอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้รู้ปักหลักไปที่ตัวผู้รู้อย่างเดียวเลยแล้วมันก็จะมีรู้อีกแบบแทรกเข้ามาเองแบบไม่ตั้งใจคือจะพลิกจากรู้ที่มีน้ำหนักเนี่ยมาเป็นรู้ที่ไม่มีน้ำหนักไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ตั้ง รู้โพรงแว็บขึ้นมาเองโดยที่ไม่รู้สึกว่ามีใครมารู้แต่ว่ามันรู้มันเป็นรู้เปล่าๆที่ปราศจากสิ่งใดๆมาเจือปนเป็นรู้แท้ๆที่เรียกว่าจิตเดิมแท้ค่ะเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งหรือวิสังขารอันนี้ก็มีหลายชื่อแล้วแต่จะเรียกนะคะมีธาตุรู้ธรรมธาตุนิพพานธาตุพุท ธ, ธะอราหันตธ า, าตุหรือหรือเรียกว่าใจก็ได้ อะไรทุกอย่างมันก็เกิดจากตรงนี้แล้วดับตรงนี้ทุกตรงนี้สุขตรงนี้ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านบอกว่าทุกสิ่งเกิดที่ใจและจบที่ใจเมื่อรู้แท้หรือจิตเดิมแท้เนี้ยปรากฏเราจะไม่รู้สึกถึงความมีตัวมีตนของเราไม่รู้สึกว่ามีเราเป็นผู้ไปรู้อะไรมันไม่มีอะไรเลยจริงๆดังนั้นอารมณ์ต่างๆหรือสิ่งที่ถูกรู้ก็เลยไม่มีผู้รองรับไม่มีผู้ไปสุขไปทุกไปมีไปเป็นไปเสวยอาการ หรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นเท่ากับว่าสิ้นผู้เสวยเมื่อเห็นแบบนี้บ่อยๆมันก็จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆค่อยๆปล่อยค่อยๆคลายจากความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเรามีตัวตนของเราปล่อยคลายจากสิ่งต่างๆแม้กระทั่งเมื่อพบจิตเริ่มแท้หรือธาตุรู้นี่แล้วก็ไม่ยึดว่าเป็นของดีไม่ประคองรักษาปล่อยวางให้หมดที่เรียกว่าพบผู้รู้ให้ฆ่าผู้รู้คาว่าอย่าทิ้งผู้รู้ แล้วก็พบผู้รู้ให้ข้าผู้รู้เน so ี่ยมันหมายถึงคําว่าอย่าทิ้งผู้รู้ก็คืออย่าทิ้งสติสติอยู่ที่ไหนความรู้ก็อยู่ที wrote, ่น um ั่นจึงต้องอาศัยผู้รู้ที่เป็นเครื่องมือที่จะทําให้เห็นกระบวนการทํางานของจิตให้เห็นธรรมชาติของฝ่ายปรุงแต่งที่มีเราเป็นผู้ไปรู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อพบตรงนี้แล้วจึงปล่อยวางตัวเราปล่อยวางความรู้สึกว่าเราเป็นผู้รู้ไม่ยึดไม่เอาอะไรทั้งนั้น ทั้งทั้งผู้รู้และอาการที่ถูกรู้ให้ศักแต่ว่ารู้โดยไม่มีตัวเรานั่นก็คือพบผู้รู้ให้ฆ่าผู้รู้นั่นเองค่ะก็เลยเป็นผู้ที่หมดพันธะสิ้นการแบกหามสิ้นการยึดถือความเห็นผิดอวิชชาที่เคลือบติดจิตดเดิมแท้ข้ามภพข้ามชาติมาก็จะสลัดออกสิ้นกิเลสสิ้นความทุกข์เป็นนิพพานในที่สุดค่ะสา คือพบผู้รู้ค่าผู้รู้ค่ะตอนแรกเดี๋ยวเ อ, เอาบอกชื่อก่อนบอกชื่อก่อนมดค่ ะ, อะ ต, ตอนแรกคือสับสนว่าอยากทิ้งผู้รู้เอ๊ะแล้วพออีกคำหนึ่งคือพบผู้รู้ให้ค่าผู้รู้แต่ทีนี้พอพอมันเกิดความสงสัยอะค่ะก็จะกลับมาที่ที่ผู้รู้ความสงสัยมันก็จะคลายไปแต่ในที่สุด มันก็มีคําตอบที่มันเข้าใจขึ้นมาว่าอย่าทิ้งผู้รู้ก็คือให้มีสติอ่ะค่ะเพราะว่าสติอยู่ไหนความรู้ก็อยู่นั่นแล้วมันก็จะต้องใช้ผู้รู้ตัวเนี้ยเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เห็นจิตที่มันตรุงแต่งมันจะเห็นการทํางานของฝ่ายสังขารที่มันตรุงแต่งโดยมีตัวเราอ่ะไปเป็นผู้รู้และส่วนคําว่าพบผู้รู้ให้ค่าผู้รู้ก็คือว่า เมือม่อเมื่อเมื่อเราเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วก็คือก็ให้เห็นด้วยว่าผู้รู้มันก็คือสังขารเหมือนกันผู้มันก็ต้องปล่อยวางทั้งหมดนะคะปล่อยวางทั้งหมดก็คือปล่อยวางทั้งทั้งทั้งตัวผู้รู้ปล่อยวางตัวผู้ที่จะปล่อยวางปล่อยวางทุกอย่างเพื่อที่จะให้มันให้มันไม่ไม่ยึดไม่ติดไปกับอะไรมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นพบผู้รู้ให้ฆ้าผู้รู้ซึ่งมันก็จะเป็นคนละอันกับหยัดทิ้งผู้รู้ ก็เลยเพิ่มเติมเข้าไปในในท่อนสุดท้ายอะค่ะแล้วก็เลยคิดว่าจบจบแล้วจแล้วนะกี่แผ่นตัวลงกี่หน้าสองค่ะสองหน้าเนาะค่ะชื่อเรื่องชื่อเรื่องว่าอะไรคือรวบเลยค่ะหลวงตาคื อ, อหลงกับรู้มีสติรู้สึกตัวพบผู้รู้ค่าผู้รู้เพราะมันเหมือนกับว่ามันร้อยเรียงเป็นอันเดียวกันอเกันเดียวกันจากตอนแรกที่ ท, ที่ทาอะค่ะจะแยกเป็นหัวข้อแต่ว่า พอมันยังไม่ได้เป็นความเข้าใจของตัวเองอะ่ะมันก็จะเหมือนย่นเยอยืดเยอือแล้วมันก็ขมวดขมวดไม่ลงอะค่ะแต่พอพอมาทําอย่างเนี้ยมันเป็นกลายเป็นว่าเป็นรวปสามหัวข้อแต่เป็นเป็นความเข้าใจที่ ท, ที่มันกลั่นมาจากใจค่ะเห็นตรงนี้ก็เเราเนี่ยเข้าใจเราเข้าใจเนี่ยถูกต้องหมดแล้วแต่เวลาปฏิบัติเนี่ย เราพลาด่ะพลาดการปฏิบัติเวลาพอลงมือปฏิบัติพลาดทุกระปาจจฏบัเนี่ยพลาดพลาดคือเอาตัวที่เป็นปรุงแต่งได้คิดนึกตึกตองปรุงแต่งดิ้นรนค้นหาหาเหตุหาผลหาความเข้าใจสามารถพยายามช่วยตัวเองได้ช่วยตัวเองจะให้พ้นทุกข์ได้ เป็นตัวเหล่านี้มันเป็นตัวตั้งขานหรือเป็นตัวปรุงแต่งแต่เราไปยึดเอาไว้ตัวที่ตั้งขานและสิ่งปรุงแต่งเนี่ยกลับเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเราก็เลยกลายเป็นว่าเป็นผู้คิดผู้นึกผู้วิเคราะห์ภายในจิตใจทุกกริยาการที่เกิดขึ้นเราไม่ได้เป็นผู้ปล่อยวางทุกกริยาการที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันคือเห็นแล้วก็ปล่อยวางก็จริงอยู่แต่มีตัวเราร่วม เข้าไปในการวิเคราะห์วิจัยหาหนทางช่วยตัวเราให้บรรลุนิพพานให้ตัวเราพ้นทุกข์ความรู้สึกว่ามีตัวเราเนี่ยที่จะไปพ้นทุกข์มีตัวเราที่จะไปนิพพานไอ้ความรู้สึกเนี้ยเป็นตัวสังขารเป็นตัวสังขารตัวปรุงแต่งเป็นตัวที่กระเพื่อมเป็นตัวที่ไหวตัวได้เป็นอาการของจิตหรือเป็นอาการของใจแมมดเนี่ยพลาดคือ กลายเป็นเอาอาการของสังขารเนี่ยหรืออาการของใจที่เป็นสังขารปรุงแต่งเนี่ยมาเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราอาการของสังขารได้ปรุงแต่งได้มันต้องเป็นขันห้าเมื่อเราตัวเราไปวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยดิ้นรนค้นหาตึกต่อหาเหตุหาผลหาความเข้าใจหาหนทางที่จะช่วยตัวเราให้รู้นิพพานเมื่อเลกลายเอาขันห้ามาเป็นตัวเราเอาตัวเราไปเป็นขันห้าเมลกลายเป็นอุปทานขันห้า วิธีปฏิบัติต้องสังเกตละเอียดมากเลยต้องเป็นนักสังเกตตัวยงจริงๆอยู่เงียบเงียบเงียบเงียบไม่ได้เพื่อปุงแต่งอะไรแต่เพื่อละปล่อยวางสังขารทุกขณะจิตปัจจุบันเตยดทั้งหมดและเห็นว่าสิ่งใดที่เป็นสังขารทุกขณะจิตปัจจุบันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่มีตัวเราตัวตนของเราอยู่ในขันธ์อ้าหรือมันอยู่ในสังขาร เราแท้จริงคือวิญญาณวิญญาณธาตุหรือจิตเดิมแท้หรือใจดั้งเดิมแท้แท้ซึ่งมีแต่ความรู้ตัวตนไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีกิริยาการใดๆเลยเป็นแต่ธาตุรู้ธาตุรู้ไม่ได้ยึดเอาธาตุรู้ว่าเป็นตัวเราตัวเราเป็นธาตุรู้ผู้รู้เป็นตัวตนของเรา ใจมันก็ว่างอยู่งั้นแหละจึงไม่มีผู้มายึดใจที่ว่างว่าใจเราว่างใจของเราว่างแล้วใจเราว่างธาตุรู้หรือใจเนี่ยมันเป็นความว่างที่หลวง ป, ปู่ดูลนตโลว่าก่อนดับขันท่านได้กล่าวว่าเราปฏิบัติธรรมมาเราปฏิบัติมาทั้งหมดก็เพื่อมาถึงตรงนี้แหละมาถึงมหาสุญญาตาหรือจักรวาลเดิมแล้วถ้ากระดับลง ไม่มีใครไปยึดเอาสังขารในขา น, น้าวว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือตัวเราเป็นขา น, น้าและไม่มีใครมายึดว่ามีตัวเราอยู่ในความว่างในใจที่ว่างเอาไว้ใจของเราหรือมีผู้ไปยึดใจจะให้ว่างไม่มีใครยึดเลยมีแต่ใจที่ว่างแล้วก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่มีอะไรเลย หรือเรียกว่าสินสส้นผู้สเสวยสิ้นผู้เสวยคือไม่มีใครไปสเสวยกริยาการและไม่มีใครไปเตะเสวยยึดถือใจที่ว่างเดียกว่าสิ้นผู้เสวยมันก็เหลือแต่ใจที่ว่างเปล่าจากความยึดมั่นถือมั่นว่างปล่าจากความมุงแต่งกับกริยาการของใจที่เกิดเกิดดับๆับเกิดเกิดดับดับของเขาอยู่ไม่มีใครเข้าไปยึดถือแล้วก็ปล่อยวางหมดปล่อยวางวก็คือสิ้นผู้ยึดถือสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นแต่ตอนนี้ของมดเนี่ย ยังไม่ได้ปล่อยวางตัวเราความรู้สึกว она, ่ามีตัวเราจะจะต้องช่วยตัวเราให้ไปบรรลุทิพยานเรายังเป็นผู้รู้ยังเป็นผู้เห็นมีตัวเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นผู้เข้าใจหรือผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจผู้วิเคราะห์ผู้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยเป็นตัวเราผู้ที่รู้ที่เห็นที่ชัดที่เข้าใจชัดเจนอย่างแจ่มแจ้งในใจเนี่ยมีความรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยคือตัวเราเป็นผู้รู้เห็นแจ่มแจ้งให้เห็นว่าความรู้แจ่มแจ้งเนี้ย รู้สิ้นยึดเนี่ยเป็นพุทธะไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นพุทธะเป็นผู้รู้แจ้งรู้จริงรู้พ้นเป็นพุทธะไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นแต่ธาตุรู้เป็นแต่ธาตุรู้ที welche, ่เป็นอมตะธาตุความรู pense, no ้ส yeah. ึกที right> ่เป็นตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวสังขารแต่ความพ้นจากตัวเราไปพ้นจากความรู้สึกเป็นตัวเราจริงจะเป็นพุทธะ หรือเป็นจิตดั้งเดิมแท้หรือใจดั้งเดิมแท้อันนั้นเนะี่ยคือเราที่แท้จริงแต่ไม่มีตัวเราไปยึดใจอีกทีหนึ่งไม่มีใครไปยึดพุทธะแต่พุทธนะนั่นคือเราที่แท้จริงแต่ดั้งเดิมต้อมีอยู่แล้วในทุกค น, น, นถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้แม้จะถึงใจที่ว่างเปล่าแล้วใจที่ติณปรุงแต่งแล้วก็จะมีตัวเราเนี่ยไปถึงใจที่ว่างเปล่าแม้แต่ นิพพานก็จะมีตัวเราพยานจะมีตัวเราไปถึงพระนิพพานใจที่ว่างเปล่าก็จะพยายามเอาตัวเราเนี่ยไปถึงเป็นหนึ่งเดียวกับใจที่ว่างปเปล่ามีตัวเราไปถึงใจที่ว่างเปล่าเราไปถึงใจที่ว่างเปล่าเราไปถึงนิพพานเรายังไม่ถึงนิพพานเรายังไม่ว่างเปล่าเรายังต้องมีกิจที่ต้องทําตรงเนี้ยมันจะมีการปรงแตง่งหลงปรงแต่งอยู่ละวางหมดเลยในปัจจุบันนี้เหมือนอย่างตอนเนี้ยขณะจิตนี้ ไม่เหมือนกันนะตอนอ่านกับตอนนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมมันต่างไงอธิบายให้ฟังพี่เมื่อกี้ตอนอ่านกับตอนขณะนี้มันต่างกันยังไงตอนอ่านมันมีตัวเราตอนนี้มันไม่มีตัวเรามันจะเป็นขณะจิตนะคะหลวงตามันมันจะมีตัวเรามันก็ไม่ได้ว่ามีตัวเราตลอดเวลามันไม่มีตัวเรามันก็ไม่ได้ว่ามีตัวเราตลอด มันก็จะพลิกกลับไปกลับมาแต่ส่วนใหญ่ก็คือมีตัวเราแต่มดก็ได้เห็นหน้าที่มันไม่มีตัวเราบ้าง<ท>ค่ะถูกต้องแล้วเขาจึงบอกว่าพ่อแม่ครูบาอจารย์บอกว่าพบใจใจที่ไม่มีตัวเราเนัเนี่ะไม่มีตัวเราที่ไปยึดอะไรแม้แต่ยึดใจแล้วไม่มีตัวเรายึดสังขารเนี่ยพบใจพบธรรมอันนั้นพบธรรมแล้วค่ะแต่ยังไม่ถึงใจค่ะเออมันยังกลับไปกลับมายังไม่ถึงใจที่สิ้นความมีตัวเรามันยังไม่ถึงใจถ้าถึงใจก็ถึงพระนิพพาน แล้วก็ที่ที่สังเกตได้คือถ้าเมื่ไหร่ที่ทิ้งผู้รู้คือตกไปทางเก่าทันทีเลยอะค่ะถูกต้องแล้วถ้าทิ้งผู้รู้ใครจะรู้แล้วว่ายังมีตัวเราเหลืออยู่ค่ะแล้วถ้าทิ้งผู้รู้แล้วใครจะรู้ว่าเออไม่มีตัวเราอันสุดท้ายอะไอตัวนั้นเนี่ยคือผู้ที่รู้นเนี่ยคือเป็นอุทารู้ว่าสิ้นตัวเราแล้วรู้ว่ามีตัวเราแล้วเราก็รู้ว่าเนียค่ะ ไอ้เมื่อกี้ก่อนก่อนที่หลวงตาจะอธิบายอ๋อมันมีมีตัวเราแล้วใครจะไปพบรู้ผมก็ต้องรู้นั่นแหละไอ้ผูรู้นั่นแหละแต่โมก็ใช้วิธีนี้นะคะหลวงตาคือเวลาที่มันมันมันมันคิดอย่างเงี้ยเราก็จะถามเลยว่าใครรู้พอรู้ว่าเรารู้มันก็จะมันก็จะมันก็จะวางแต่เดี๋ยวมันก็มาใหม่กลับมาใหม่ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วมันก็คืออยู่ระหว่างที่กลับไปกลับมาเรื่งหลงได้แล้วก็พอมีสติปัญญามาความหลงว่ามีตัวเราก็ดับไป มันยังเป็นอยู่ระหว่างที่กลับไปกลับมาคจนกว่ามันจะถาวรแต่ก็วิธีการปฏิบัติเอแบบนี้เนี่ยคแต่ที่เราเนี่ยยังรู้ว่าตัวกลับไปกลับมาก็เพราะไม่ทิ้งผู้รู้นั่นแหละแต่ไม่ได้ยึดผู้รู้มาต่างกันคือไม่ทิ้งผู้รู้แต่ไม่ยึดไม่ยึดผู้รู้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราอย่าทิ้งรู้ที่เราปัวว่านท่านว่าอย่าทิ้งรู้ที่บอกหมดหมดอย่าทิ้งรู้นี่แนี่รู้ก็ถ้าเรารู้ถ้าเราทิ้งรู้ไปแล้วเราจะเรื่องอะตอนนี้มีตัวเราแหละถ้าเราเนี่ย ทิ้งรู้ไปแล้วจุเรื่องเนยตอนนี้มีเราตอนนี้มีรู้อยู่เราจึงรู้ว่าตอนเนี้ยหลวงไม่มีตัวเราตอนนี้อาจารย์ตาถามว่าลังจัติอาจารย์ตาอธิบายแล้วอืมตอนนี้ก็รู้เลยว่าเออความเป็นตัวเราหายไปมันก็ต่อใส่รู้นี่เนี่ยพะเราทั้งหลายอยู่กับรู้นี่เนี่ยไม่ได้ทิ้งรู้แต่ไม่ยึดรู้เขาเรียกว่าฆ่าผู้รู้หรือปล่อยวางผู้รู้ค่ะนั้นมีรู้อยู่ไม่ทิ้งรู้เนี่ยจึงรู้ว่าเอ้าหลวงไม่มีตัวเราแล้ว พอไปจทิ pues no, ja ้งรู้นี่เนี่ยจิ้งรู้ว่าตอนนี้ไม่มีตัวเราแล้วมันก็ยังกลับไปกลับมาจนสุดท้ายพราะไม่ทิ้งรู้นี่เนี่ยมันจึงสุดท้ายไอ้ความหลงมันมีตัวเราค่อยๆน้อยไปน้อยไปน้อยไปแล้วที่สุดหายไปหมดเหลือแต่ความไม่มีตัวเราอแล้วก็รู้ว่าแบบนี้ความไม่มีตัวเราหายหมดแล้วไอ้กิจนี้ต้องรู้เท่าทันความหลงไม่มีมีตัวเราแล้วต้องคอยรู้เท่าทันและกลับควาไม่มีตัวเราทิ้งตัวเราไปหมดปล่วางความยึดถือสิ้นความมีสภาพเป็นตัวเราไปจากใจ จนกระทั่งเป็นทาวรสิ้นเชิงคือสิ้นตัวเราสิ้นความหลงว่ามีตัวเราโดยทาวรสิ้นเชิงความรู้ก็รู้ว่าเนี่ยกิที่ต้องทำจบแล้วความหลงไม่มีตัวเราจบแล้วเหลือแต่ความรู้ที่ไม่มีตัวเราดั น, น, นั้นเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นอมตะเป็นพุท ธ, ธะ